ซึ่งได้จัดทำไว้เป็นพิเศษแล้วก็เริ่มกล่าวกระาพนานาข้อความเกี่ยวกับพระธรรมสนาบดีเป็นลำดับไปผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้พระสารีบุตรเทระเจา้าผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาแห่งสมเด็จพระาศาสดาได้ปรินิพานแล้วณนะเมืองนาลันธาใกล้กรุงราชคฤชอันเป็นชาตภูมิเดิมของท่าน ตลอดเวลา44ปีเศษที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้แล้วและประกาศพระพุทธศาสนามาจนบัดนี้ท่านพระสารีบุตรผู้เข้ามาอุปสมบทปีแรกที่ตรัสรู้ก็ได้ร่วมรับใช้งานทางพระธรรมวินัยร่วมความทุกข์ยากตรากตรำมาจนเจวบถึงอายุไขของท่านผู้เจริญทั้งหลายการดูมหรสพพร่าเพื่อเกินไป ที่ถือกันว่าเป็นทางความเสื่อมทรัพย์นั้นบางคนกลับได้ประโยชน์อันล้นค่าเพราะรู้จักใช้ปัญญาใกล้ครวญไตรตรองเหตุผลผิดชอบชั่วดีในบางคนผู้หาประโยชน์ได้จากมหระศพนั้นพระสารีบุตรเทระเจ้าเป็นผู้หนึ่งท่านเป็นผู้เกิดในตำบลอุปติสสะเป็นบุตรแห่งพราม์กระบรีผู้มั่งคั่งมีมารดานามว่าสารีซึ่งเป็นเหตุหนึ่งให้มีผู้เรียกท่านว่าสารีบุตร ทั้งทั้งที่นามเดิมของท่านคืออุปติสสะท่านมีสหายนามว่าโกริตะซึ่งต่อมาได้เป็นผู้ออกบวชร่วมกันคือพระโมคคัลลานธีระเป็นบุตรแห่งพราหมณขรบดีแห่งตำบลโกลิตคามเมื่อรุ่นจำเริญวัยสหายทั้งสองผู้มีความสัมพันธ์กันพระหนึ่งญาติเพราะมีบรรพบุรุษเป็นมิสายกันสืบมาในตำบลบ้านทั้งสองนั้นหลายชั่วคน ในการเรียนศิลปวิทยาก็ได้เข้าศึกษาในสำนักอาจารย์พิเศษผู้มีชื่อเสียงแห่งกรุงราชครืราชธานีแขวนมคธเมื่อเรียนสำเร็จวิชาความรู้เท่าที่บุตรของผู้มั่งคั่งจะมีเรียนได้แล้วสองสหายก็ชวนกันเที่ยวไปในที่ต่างๆมีมานบสหายอื่นๆร่วมไปด้วยเป็นอันมาก ผู้เจริญทั้งหลายการใช้รถเลวอลเป็นของธรรมดาของผู้มีทรัพย์เช่นมานพอุปฏิสะและโกลิตะความผาสุกสมบูรณ์ความร่าเริงบันเทิงใจใดๆที่คนหนุ่มทั้งหลายผู้มั่งคั่งพึงมีได้สองสหายนั้นก็ได้ผ่านพบอภิรมตลอดมาวันหนึ่งในกรุงราชฤก์มีมหรสศพบนยอดภูเขาซึ่งเป็นที่ราบมีลานกว้าง คนทั้งหลายพากันไปดูอย่างคับคั่งแม้สองสหายพร้อมด้วยมานุอื่นๆก็ได้ไปดูด้วยเช่นกันหัวเราะเมื่อถึงคราวขบขันสะเทือนใจเมื่อถึงตอนโศกสลดและตอนที่ผู้แสดงทําได้ดียิ่งสองสหายก็ให้รางวัลมโหรสพมีแสดงอยู่หลายวันสองสหายก็คงไปดูเพื่อให้ทราบเรื่องติดต่อกันวันหนึ่งอุปติสสะหรือสารีบุตรเกิดความคิดเห็นเป็นคติสอนใจตน ถึงความสับสนไม่แน่นอนแห่งชีวิตอันอาจเกิดได้เหมือนเขาเรื่องในมหหรสศนั้นจึงปารบในใจที่จะสแสวงหาโมกขธรรมคือความหลุดพ้นจากความแ ป, ปรพวนไม่แน่นอนวันนั้นอุปติสสะเคร่งครึมไปไม่ร่าเริงหรือพูดจาปราศัยดังวันก่อนกุลิตะจึงถามทราบความในใจแล้วก็เห็นด้วยว่าควรสแสวงหาโมฆธรรมจึงเที่ยวเสาะสแสวงหาครูอาจารย์ ผู้สามารถสั่งสอนทาง จ, จิตใจในที่ต่างๆก็ได้พบว่าสัญชัยปริภาชกนักบวชผู้นุ่งผ้าขาวเป็นคณาจารย์เจ้าลทัทิที่มีคนเคารพนับถือมากผู้หนึ่งในกรุงราชครื้ผู้เจริญทั้งหลายเมื่อสองสาหายเข้าศึกษาในสำนักสัญชัยปริพาชกด้วยความตั้งใจในไม่ช้าก็เข้าใจในละทิข้อปฏิบัติได้โดยสิ้นเชิงครั้นสอบถามด้วยความว่า เท่าที่ตนเรียนรู้เป็นอันจบความรู้ที่อาจารย์สั่งสอนเพียงนั้นก็เห็นว่าลัทธิของสันชัยยังไม่ใช่ทางที่จะให้บรรลุโมกะธรรมได้จึงลาอาจารย์เที่ยวไปในที่ต่างๆศึกษาลัทธิของพรามจนแตกฉานในพระเวทและคำสอนทั้งหลายเที่ยวโต้ตอบกับผู้มีความรู้ทั้งปวงเท่าที่จะสะแสวงได้ในที่สุดก็วกมาสู่กรุงรัชครึอีกและยังไปมาติดต่อ กับสัญชัยปริพาชคอยู่ตามเดิมมิตรสายอื่นๆของอุปติสะกับโกลิตะที่สนใจติดตามมาเป็นสิทธิ์ของสัญชัยก็มีเป็นจำนวนมากผู้เจริญทั้งหลายคงไม่มีใครคราดคิดมาก่อนว่าสองสหายผู้สนใจในลุทธิของปริพาชคและเวทัางคศาสตร์ของพรามนี้ จะกลายมาเป็นกำลังสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาได้ยั่งยืนถึง44ปีเศษถึงกับเมื่อท่านทั้งสองปรินิพานในเวลาใกล้เคียงกันสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาทรงปาลกับพิสุทธ์ทั้งหลายว่าบริษัทของพระองค์เหมือนว่างเปล่าเมื่อสารีบุตรและโมคคัลลานะอย่างไม่ปรินิพานยังอยู่ในทิศใดทิศนั้นย่อมไม่ว่างเปล่าและมีความวางใจได้ในทิศนั้นผู้จเจริญทั้งหลาย สองสายผู้เที่ยวไปในที่ต่างๆในที่สุดก็ได้กลับมาสู่สำนักของสัรชัยปริพาชโชคอีกได้ตกลงกันไว้ว่าถ้าใครได้บรรลุอมตะธรรมก็จะบอกเล่าใะอีกคนหนึ่งในลำดับการดังกล่าวสมเด็จพระบรมศาสดาเพิ่งจะตัดรู้ใหม่ๆทรงสแสดงธรรมแก่พิกูุ ป, ปัญจวัคคีย์ผู้เคยอุปถาพระบรมมาในสมัยเมื่อยังทรงบาเพ็ญเพียรทรงสแสดงธรรมแก่ยะกุลบรพร้อมทั้งสหาย ให้ได้บรรลุโมคธรรมจนมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกหกสิเองคองรวมทั้งพระบรมศาสดาแล้วก็ทรงสังซ้อนพระอรหันต์เหล่านั้นให้แยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนาในทิศ ต, ต่างๆกันส่วนพระองค์เสด็จผ่านไรไฟทรงแสดงธรรมโปรดกุมาร30คนให้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเสด็จต่อไปแสดงธรรมโปรดชดินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารพัน 1, คน ให้ได้บรรลุอมตะธรรมประธานการอุปสมบทแก่บุคคลเหล่านั้นทั่วกันแล้วเสด็จเข้าสู่กรุงราชครื้นคว้อนมคธแสดงธรรมใจมหาชนมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประมุขและพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายเวลวันป่าไผ่นอกกรุงให้เป็นสังขารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาก็ประทับยับยั้งอยู่ณเวลวันป่าไผ่นั้น ผู้เจริญทั้งหลายสองสหายพมนักอยู่นอกกรุงราชคฤตในทิศทางห่างไกลาจากเวลุมานารามยึงไม่ได้ข่าวของสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาเช้าวันหนึ่งเมื่อประตูพระนครเปิดแล้วอุปติสะปริภาชกหรือในยะหนึ่งพระสารีบุตรในสมัยเมื่ อ, อยังนับถือศาสนาอื่นก็เข้าสู่ราชคฤห์ด้วยธุระบางประการได้เห็นพระอัศชิเทระซึ่งนับเนื่องในภิกษุปัญจวคี กล่าวคือคณะภิกษุผู้เคยรับใช้ใกล้ชิดสมเด็จพระบรมศาสดาตั้งแต่สมัยที่ยังทรงบำเพ็ญเพียรมิได้ตจโรมีห้ารูปด้วยกันคือโกนธรรมยวัปปะพัทธิยะมหานามะและอสชิเมื่อเห็นก็รู้สึกสะดุดใจผิดสังเกตเพราะกิริยาอาการที่เดินสำรวมจักษุผิวพรรณหน้าตาสอว่าเป็นผู้มีความสงบทางจิตอันสูงจึงทำให้คิดว่า ท่านผู้นี้น่าจะได้เป็นผู้บรรลุอมตรตธรรมองค์ใดองค์หนึ่งในโลกแน่นอนจำจะไต่ถามดูให้เป็นที่ประจักแต่แล้วก็ฉูกคิดว่าขณะนี้เป็นเวลาเที่ยวปินทบาทจำจะยับยั้งไว้ก่อนต่อได้โอกาสสมควรแล้วจึงค่อยเข้าไปปราศัยไต่ถามเมื่อตกลงใจดังนั้นก็เดินตามไปห่างๆรอจนกระทั่งพระธีระรับพิษาได้จากชาวบ้านแล้ว เดินไปหาที่สะดวกด้วยน้ํานั่งลงนั่โคนไม้ฉันอาหารล้างบาทเสร็จแล้วจึงเข้าไปถวายนมั ส, สการและไต่ถามด้วยอาการอันดีว่าท่านผู้เจริญอินทรีย์ของท่านผ่องใสผิวพันธุ์ของท่านผ่องแผ้วท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมะของใครขอได้โปรดตอบให้ข้าพระเจ้าทราบด้วยผู้มีอายุ รพระพเจ้ายัางเป็นผู้บวชใหม่มาสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นานจึงไม่สามารถชี้แจงแก่ท่านโดยพิสดารได้ท่านผู้เจริญรพระพเจ้านี้นามว่าอุปติสสะจะเป็นข้อความน้อยหรือมากไม่ประมาณขอท่านได้โปรดกล่าวมาเถิดพระพเจ้าจะพิจารณาเองผู้มีอายุทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุและแสดงความดับแห่งทำเหล่านั้น อุปติสสะปริภาชคพิจารณาข้อความเพียงสั้นๆเท่านั้นก็เข้าใจสาระสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลทั้งนี้ก็เป็นการประจบกันสองประการคือท่านพระอาชชิเป็นผู้ยอาใจความแห่งพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งและท่านพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาอันเลิศเพียงได้สดับข้อความสั้นๆก็สามารถ เห็นนายะได้เป็นอเนกประการผู้เจริญทั้งหลายนี้เป็นใจความเบื้องต้นที่แสดงถึงความเป็นมาแห่งพระอรสาวกผู้เข้ามาร่วมแพร่ธรรมเสนาจนได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมเสนาบดีแม่ทัพธรรมและเมื่อปรินิพานแล้วสมเด็จพระบรมศา at, สดาสถึงกับตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งมีจริญสาล ตั้งอยู่รวมกันแต่สาริบุตรและโมคคัลานะปรินิพานไปแล้วก็เหมือนกับเมื่อหมูไม้าใหญ่ที่มีแจนตั้งอยู่รวมกันแต่ไม้ที่มีลำต้นใหญ่กว่าโค่นลม้ลมลงฉะนั้นผู้เจริญทั้งหลายด้วยความเต็มตื่นและปลื้มปิติในธรรมที่ได้สดับและได้พิจารณาหินแล้วอุปติสสะปริพานชคผู้บัตดนี้ได้ตรงตาเห็นรมแล้วได้กล่าวกับพระอจิเทระเจ้าว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ณที่ไหนผู้มีอายุพระองค์ประทับอยู่ณเวลุวณ า, ารามข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอท่านได้โปรดล่วงหน้าไปก่อนครัพระเจ้ายังมีสหายอีกผู้หนึ่งซึ่งได้นัดหมายกันไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุอ ม, มตะธรรมก่อนก็จะบอกแจกกันและกันครัพระเจ้าจะไปบอกกับสหายแล้วพากันไปเวลุวณ า, ารามในภายหลัง อุปฏิษสะกล่าวดังนั้นแล้วก็ก้มลงกราบพระเถระด้วยเสียงกล้าวทาประทักษิณแล้วเดินทางไปยังปริภาชกา ร, รามเพื่อแจ้งเนื้อความแก่โกลิตะหรือโมคลลานะสหายของตนต่อไปผู้เจริญทั้งหลายพระสารีบุตรเถระเจา้าเป็นผู้มีความกะตันยูกะตะเวทิตาเป็นผู้มีธรรมอันสูงยิ่ง ท่านรึกถึงพระคุณของพระอชชราชารเถระเจ้าผู้เป็นอาจารย์องค์แรกผู้แนะนำให้ได้ดวงตาเห็นธรรมภายหลังเมื่อท่านอุปสมบทแล้วทราบว่าพระอาสารอยู่ณทิศใดก็นอนผันศีรษะไปทางทิศนั้นจนบางครั้งถูกกล่าวหาว่าเคยเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนามาก่อนเชะรอยจะนำละทิไวไหวทิศมาใช้กระมังสำเร็จพระบรมศาสดาทรงไต่ถามทราบความแล้ว ก็ตรัสสรรเสริญสาลีบุตรว่าเป็นผู้ยิ่งด้วยกตันยูกะตะเวทิตาธรรมผู้หนึ่งผู้เจริญทั้งหลายไม่แต่เท่านั้นในสมัยหนึ่งมีพราม์เฉินใจคนหนึ่งปรารถนาจะบวชพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าภิกษุใดจะรึกถึงอุปาการรักขุนของพราหมณนี้ได้บ้างจะได้ทรงมอบหมายให้เป็นผู้จัดการอุปสมบทให้พระสารีบุตรเทระเจ้าจึงกราบทูลว่าท่านรึกถึงอุปาการรั ของพรามณ์ผู้นี้ได้ในสมัยหนึ่งพรามณ์ผู้นี้มีนามว่าราธาเคยถวายอาหารทัพพีหนึ่งแก่ท่านสมเด็จพระบรมศาสด า, า, าจึงตรัสถามว่าสารีบุตรเธอจะเป็นผู้รับจัดการอุปสมบทให้ได้หรือไม่เมื่อพระสารีบุตรกราบทูลรับรองแล้วจึงทรงมอบหมายให้พระสารีบุตรรับราธพราหมไปเพื่อให้อุปสมบทกรรม เมื่อพิสุททั้งหลายสนทนากันสันเสริญคุณของพระสารีบุตรเทระที่เป็นผู้มีความกตัญญูก็ตรัสอริณะจิตตนชาดกสรเสริญคุณของพระเทระผู้เจริญทั้งหลายเมื่ออุปติสสะได้พบโกริตตะสายของตนได้เล่าเรื่องที่พบพระอาจชิเทระ และเล่าใจความแห่งพระธรรมเทศนาให้ฟังแล้วโกลิตะหรือโมกราณะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลจึงถามถึงที่ประทับของสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาเมื่อทราบว่าประทับณเวรุวนณารามป่าไผ่จึงชวนอุปติสสะให้ออกเดินทางไปแต่อุปติสสะหรือสารีบุตรเป็นผู้คารพในอาจารย์จึงแนะนาให้ไปบอกเล่าแก่สัญชัยปริพาชกก่อนเมื่อได้เข้าไปบอกเล่า และชักชวนให้สัญชัยปริพาชคไปด้วยกันแต่สัญชัยปฏิเสธแล้วจึงอำลาสัญชัยไปเฝ้าสมเด็จพระปรมศ า, ศาสดาโดยมีมิสหายผู้เป็นปริพาชกร่วมไปด้วยเป็นอันมากผู้เจริญทั้งหลายอุปติสะและโกริตะสองสหายได้เข้าไปกราบพระบาทสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยซึ่งพระบรมศาสดา ก็ประธานพระพุทธานุญาตให้เป็นภิกษุได้โดยเอหิตภิกขุอุปสัมพทาครั้นแล้วทรงแสดงธรรมสัง่งสอนชี้แจงให้เห็นอาจเห็นธรรมในพระพุทธศาสนาให้กึงหนึ่งของปริพาชคที่ร่วมเดินทางมากับสารีบุตรและโมคลานะได้ดื่มรสแห่งอมตะธรรมเป็นพระอาหารหันตะขีนาศพแต่พระสารีบุตรและพระโมคลานะยังคงเป็นเพียงโสดาบันบุคคล จากนั้นอีก7ดวันพระโมคลานะบำเพนเพียนและได้สดับพระธรรมเทศนาเพิ่มเติมจึงได้บรรลุเป็นพระอรหัตผลส่วนพระสารีบุตรได้เป็นพระขีนาสพเมื่ออปสมบทแล้วได้15วันคือในวันมาฆุรณมีดิธิเพนพระจันเต็มดวงสเสวยมาฆเลิกในโอกาสที่ได้สดับพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแจรพรมชื่อว่าทีฆณาะ อคีเวสนาและในวันมาฆปุณมีนั่นเองสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาก็ได้ประกาศตั้งพระเถระทั้งสองในตำแหน่งแห่งพระคราสาบุกซ้ายขวาผู้เจริญทั้งหลายเมื่ออุปติสสะและโกริตาอุปสมบทแล้วก็ปรากฏนามว่าสาริบุตรเถระและโมคระนาเถระโดยลําดับในเวลาสมเด็จพระบรมศาสดาไปในที่ใดก็จะประทับนั่งกลางพระสาริบุตรนั่งเบื้องขวา ราโมกขลานะนั่งเบื้องซ้ายมีพระสงฆ์ทั้งหลายนั่งถัดไปโดยควรแจกฐานะด้วยประกาศรชน้ผู้เจริญทั้งหลายสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาเคยตรัสไว้ว่าคู่แห่งพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตหรือในอนาคตก็ตามก็จะมีอย่างยิ่งเพียงเสมอด้วยสารีบุตรและโมกขลานะอัครสาวกของพระองค์ในการบัดนี้ทั้งนี้เพราะสารีบุตร และโมคลานะเป็นผู้รับภาระช่วยเหลือการบริหารคณะสงฆ์และทำการแทนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในโอกาสมากด้วยกันอย่างได้ผลดียิ่งผู้เจริญทั้งหลายข้อความที่จะกล่าวไปลํลำดับต่อไปนี้จ่ำแสดงให้เห็นว่าความเป็นพระธรรมศินบดี แม่ทัพธรรมของพระสารีบุตรเทวเจ้าอย่างแท้จริงเพราะในสมัยที่ปริสถานพระพุทธศาสนาตั้งสังฆมณฑลขึ้นเป็นหลักฐานได้แล้วนั้นพระสารีบุตรเีระได้กราบทูลสมเด็จพระบรมศาสดาถึงเหตุที่ทําให้พระศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนเมื่อได้สดับพระพุทธภาษิตตรัสเฉลยแล้วก็กราบทูลขอร้องให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติด้วยคือข้อบังคับ สำหรับบริหารคณะสงฆ์ขึ้นและเสนอให้มีการสวดหรือกล่าวทบทวนพระวินัย น, นั้นในที่ประชุมทุกเมื่อทุกเกึงเดือนแต่เนื่องจากสมัยนั้นพระภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ได้ดุงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นอย่างต่ำโดยส่วนมากสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาจึงตรัสตอบให้รอไปก่อนจนมีเหตุการณ์ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นก็ได้ส่งปารบเหตุที่เกิดขึ้นนั้นบัญญัติสิกขาบทเป็นคราวๆไป แม้เช่นนั้นข้อนี้ก็สำแดงถึงความสนใจที่จะเห็นพระพุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนของพระสารีบุตรเทเรเจ้าในสมัยต้นที่เริ่มการเผยแผ่พระธรรมเสนาไปในที่นั้นๆผู้เจริญทั้งหลายพระสารีบุตรเทเรเจ้าสนใจในความตั้งมั่นยั่งยืนแห่งพระธรรมวินัยเพียงในสมัยแรกก็หาไม่ได้ แม้ล่วงการมาแล้ว40ปีเศษเมื่อนิครนนาตบุตรผู้เป็นเจ้าลัทธิสั่งสอนศาสนามีสาวกเป็นอันมากสิ้นชีวิตลงสาวกทั้งหลายแตกกันเป็นพวกเป็นหมู่มีความเห็นในหลักธรรมต่างๆกันไปท่านพระสารีบุตรก็ได้ชี้ให้พิสุทิ์ทั้งหลายเห็นความเสื่อมนั้นเป็นตัวอย่างแล้วชี้ต้นเหตุว่าเนื่องจากมิได้มีการรวบรวมคําสั่งสอนให้เป็นหมวดเป็นหมู่ปล่อยให้กระจัดกระจาย ทรงจำกันไปตามความรู้ความเข้าใจและความจำของแต่ละหมู่แต่ละคณะในที่สุดก็เข้าใจเฉพาะที่ที่ตนจำได้ว่าถูกอย่างอื่นผิดจึงเกิดการแตกแยกกันขึ้นครั้นแล้วท่านจึงแสดงตัวอย่างการจัดระเบียบพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาโดยรวบรวมธรรมะหมวดหนึ่งมาประมวลไว้แล้วรวบรวมธรรมะที่มีสองอย่างเข้าไว้ในหมวดสองรวมธรรมะสมอย่าง เข้าไวในหมวด3โดยในยนี้ได้รวบรวมจนถึงธรรมะ1ิบข้อไว้ในหมวด10แต่และหมวดประกอบด้วยธรรมะประเภทต่างๆที่มีจำนวนตามหมวดนั้นมากข้อด้วยกันเป็นตัวอย่างแห่งการสังขยาคือการร้อยกรองจัดระเบียบพระธรรมวินัยต่อไปในอนาคตการสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ก็ทรงสรรเสริญความคิดและวิธีการร้อยกรองพระธรรมวินัยนั้นอันหนึ่ง เป็นที่หน้าอนุโมทนาว่าพระจุนทธิระน้องชายของท่านพระสารีบุตรก็มีความห่วงใยในเรื่องความตั้งมั่นยั่งยืนแห่งพระาศาสนาได้เคยขอให้พระอนุน์นำเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาแล้วกราบทูลชี้แจงเรื่องสาวกที่โคลนนาฏบุตรแตกกันซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสตอบและแนะนาให้ร้อยกรองจัดระเบียบคาสั่งสอนของพระองค์ทั้งโดยอัดและพยัญชนะ ตรงกับความคิดของท่านพระสารีบุตรเทรเจา้าอีกสมัยหนึ่งเหตุการณ์ที่สาวกของนิคร น, นาตบุตรขณาจารย์เจ้าลัที่อื่นจากพระพุทธศาสนาแตกกันในแพ่ขยายรุนแรงยิ่งขึ้นถึงขนาดทะเละวิวาทเป็นปฏิติปักกันเองพระจุนทะทรเจ้า ก, ก็เข้าหาพระอนุนอีกขอร้องให้พระอนนล์กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้หาทางป้องกัน มีให้เหตุการณ์ทํานองนั้นเกิดขึ้นแย่ศาสนาของพระองค์ได้สมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบจังตรัสตอรบรรพระอานุนทรงแสดงโพธิ ป, ปัจจิธรรมอันเป็นหลักของพระพุทธศาสนาแล้วทรงแสดงมูลเหตุแห่งการวิวาทหประการรวมทั้งอธิกรณ์สประการและวิธีระงับอธิกรณ์เจ็ประการกับประการสุดท้ายได้ทรงแสดงหลักการอยู่ร่วมกันเป็นผาสุขของหมู่คณะที่เรียกว่าสารานิยธรรม6กประการ อันมีเจความคือให้แสดงเมตตาต่อกันทั้งกายวาจาและทั้งใจให้เอื้อเฟื้อแบ่งปันลาบสาการะกันให้รักษาศีลเสมอกันให้ปรับปรุงความเห็นในทางที่ดีงามให้เข้ากันโดยในยนี้เป็นอันสมเด็จพระบรมศาสดาได้แสดงธรรมทั้งในทางชี้ชวนให้รู้จักจัดระเบียบพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่โดยอัดและโดยพยัญชนะทั้งในทางชี้ข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทกันและเพื่อจะได้อยู่รวมกันเป็นภัสสุขผู้เจริญทั้งหลายพระสารีบุตรเทเรเจา้าผู้แสดงความคิดเห็นเรื่องควรสังขยานาร้อยกรองจัดระเบียบพระธรรมวินัยเพื่อความยั่งยืนสืบไปพร้อมทั้งได้แสดงการจัดหมวดจัดหมู่ตั้งแต่หมวดที่หนึ่งจนถึงหมวดที่10บดังกล่าวแล้วเป็นการแสดงทำแทนพระบรมศาสดาตามที่สมมอบหมายกล่าวคือ เมื่อพระองค์ทรงสแสดงธรรมแจ่คณะมรรกษัตย์ชาวเมืองปาวาจนดึกและคณะมลรกษัตย์กราบถวายบังคมลาแล้วแต่ภิกษุสงฆ์ผู้ประชุมกันอยู่ในที่นั้นยังมีอาการสดชื่นใคร่จะสดับธรรมกถาสืบไปจึงทรงมอบหมายให้พระสารีบุตรเทราแสดงธรรมมาแทนส่วนพระบรมศาสดาทรงสำเร็จสีหสยานพักพระปิสดางมีสติสัมปชัญญะกำหนดหมายว่า จะเสด็จลุกขึ้นเมื่อนั้นเมื่อนี้ผู้เจริญทั้งหลายพระสารีบุตรเทวเจ้าไม่ได้แสดงตัวอย่างในการร้อยกรองจะระเบียบพระธรรมวินัยไว้เพียงครั้งนี้เท่านั้นจึงได้แสดงในโอกาสอื่นอีกเป็นการจัดหมวดหมู่ธรรมะ ตั้งแต่หมวดที่1ถึงหมวดที่10อีกเช่นกันแต่ประมวลข้อธรรมะไม่ซ้ำกับคราวก่อนและในการแสดงธรรมแต่และคราวนั้นได้รวบรวมธรรมะที่มีข้อเดียวสองข้อสข้อจนถึง10ข้อไว้ได้วิจิตพิสดารเป็นพิเศษผู้เจริญทั้งหลายเท่าที่กล่าวมาแล้วยังไม่ได้ชี้เห็นความที่พระสารีบุตรเทระเจา้าต้องประสบความทุกข์ยากในการช่วยเทิดทุนพระธรรมวินัยอย่างไรเลยเพราะเห็นนั้น ท่านทั้งหลายได้โปรสดสับและพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปผู้เจริญทั้งหลายครั้งหนึ่งท่านพระสารีบุตรเจ้าเดินทางไกลในโกศลชนบทและได้แวะพักในอาวาสถะคือที่พักแรมในระหว่างทางซึ่งผู้มีใจเอื้อเฟื้อต่อคนเดินทางได้สร้างไว้ อาวสถะหรือที่พักแรมในระหว่างทางนี้บางครั้งก็ทําด้วยไม้บางครั้งก็ทําทด้วยอิฐที่ทําด้วยอิฐเรียกว่าชินชากาวสัตถะมนุษย์ทั้งหลายผู้ ด, ดูแลอาวสถะนั้นเห็นท่านพระสารีบุตรก็มีความชื่นชมจึงนิมนต์และจัดที่พักให้จัดอาหารให้ฉันเมื่อถึงเวลาอาหารเผอเอิญท่านพระสารีบุตรอาพาธจึงไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ต้องพักอยู่ในอาวัสถะนับเป็นราตีที่สองรุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาอาหารเขาก็นำอาหารมาถวายแต่เนื่องจากมีข้อห้ามทางพระวินัยว่าอาหารในโรงแรงพักเช่นนั้นภิกษุจะฉันติดติดกันทุกวันไม่ได้ต้องฉันวันเ ว, นว้นวันเพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุผู้เห็นแก่ความสะดวกยึดเอาอาวัสถานั้นเป็นที่พักทั้งเป็นที่อาศัยบริโภคประจา อันจะเป็นการเอาเปรียบผู้เดินทางอื่นและเป็นการสอเจตนานโลภเห็นแก่ได้ท่านพระสารีบุตรเทระพิจารณาเห็นว่าถ้าจะฉันอาหารนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ภิกษุรูปอื่นท่านจึงยอมอดอาหารด้วยถือว่าการอดของท่านครั้งเดียวยังอาจมีผลดีตกทอดเป็นแบบอย่างไปตลอดการหาที่สุดมิได้เมื่อท่านเดินทางไปสู่กรงสาบถีแล้วความทราบถึงสมเด็จพระบรมศาสดา จึงทรงถือเป็นตัวอย่างแล้วประธานพระพุทธอนุญาตว่าต่อไปถ้าภิกษุอาพาธและพักอยู่ในอาวสัทะเช่นนั้นอนุญาตให้ฉันอาหารติดต่อกันทุกวันจนกว่าจะหายผู้เจริญทั้งหลายในสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรเทวดเจ้าอาพาธเป็นโรคลมในท้อง ขณะพักอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเมื่อเจริญวิเวกร่วมกับพระโมคคัลลานะเสระโรคชนิดนี้ยังทุกขเวทนากล้าให้เกิดขึ้นพระโมคคัลลานะได้ไปเยี่ยมเยียนไตถามและช่วยถวายความสะดวกในบางสิ่งบางอย่างเสมอมาเมื่อถามดูว่าโรคช น, นิดนี้เคยเป็นมาบ้างหรือเปล่าและเมื่อเป็นแล้วเคยใช้ยาอะไรพระสารีบุตรเทระเจ้าตอบว่าเมื่อเป็นครหัดมารดา เคยจำข้าวปลายาดเจือด้วยนมสดล้วนแล้วปรุงด้วยเนสายน้ําพึ่งและน้ําตาลกรวดให้บริโภคก็หายจากโรคนั้นการสุนทนาของท่านทั้งสองเพอเอินมีผู้ผ่านไปได้ยินจึงนํามาบอกกล่าวกันชาวบ้านป่าก็ขวนขวายจัดปรุงข้าวปลายาดเจือด้วยนมสดผสมเนสายน้ําพึ่งและน้ําตาลกรวดเตรียมไว้เมื่อพระโมคฆัลานาไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเขาก็จะถวายข้าวปลายาดนั้นพระเทระ จึงแสดงอาการเจลากลับอันผิดปกติจากที่เคยมาชาวบ้านจึงแจ้งให้ทราบว่านี้เป็นส่วนถวายให้ท่านชันส่วนที่จะฝากไปถวายท่านพระสารีบุตรเทระยังมีอีกต่างหากผู้เจริญทั้งหลายเมื่อพระโมคคัลลานาทีราชันเสร็จแล้วชาวบ้านจึงนำบาตรไปล้างและถวายข้าวปายาต สำหรับพระสารีบุตรใส่ในบาตพระเทระจึงนำอาหารนั้นไปถวายแด่ท่านพระสารีบุตรจึงทําให้ท่านมีความแปลกใจว่าเหตุฉไฉนจึงมีผู้ปรุงอาหารอย่างกับว่ารู้เรื่องมาก่อนว่าอาพาธของท่านต้องการอาหารชนิดนี้เมื่อพิจารณาไปก็ทราบว่าช่รอยวาจาของท่านที่บอกเล่าแจ้พระโมคลลานะจะเป็นเหตุให้ชาวบ้านบางคนผู้ผ่านมาดูแลในที่ใกล้ได้ทราบแล้ว บอกกันต่อๆไปมิใช่เขาคิดกันขึ้นเองแท้แท้เนื่องจากมีพระวินัยห้ามไว้มิให้ภิกษุรบกวนขออาหารจากผู้มิใช่ญาติหรือไม่ได้บอกอนุญาตไว้ให้ขอได้อนุญาตแต่เพียงการเที่ยวบิธบาตตามปกติทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุก่อความรําคาญเจนชาวบ้านเที่ยวขอน่อนขอนี่อันมิใช่วิสัยของสมณนะการขอนั้นแบ่งออกเป็นสองอย่างคือกายวินยต การแสดงออกขอทางกายว่าจีวิญญาตการกล่าววาจาขอแท้จริงการกล่าววาจาของพระเถระในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการขอใครเพียงแต่บอกเล่าตามที่มีผู้ถามแต่ท่านก็รังเกียจว่าเพราะท่านเปลี่ยนวาจาออกไปเขาจึงไปจัดอาหารมาถวายท่านพิจารณาเห็นเหตุการณ์ไกลที่จะวางแบบฉบับเป็นตัวอย่างใจภิกษุรุ่นหลังจึงรับข้าวปลายาดนั้นมา แล้ ว, วามบาทเข้าปายาิกล่าววาจาว่าแม้จะเกิดทุกขเวทนาสักเพียงไรแม้ไส้ของท่านจะขาดออกมาเรี่ยรายอยู่ข้างนอกเพราะทุกขเวทนานั้นๆท่านก็จะยอมอดทนจนถึงแก่ชีวิตจะไม่ยอมทำลายแบบแผนอันดีงามที่สำเร็จพระบรมศาสดาส่งวางเอาไว้เป็นการยอมสละความสุขส่วนตนเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เป็นตัวอย่างอันดีงามสืบไป ผู้เจริญทั้งหลายท่านพระสารีบุตรได้ป้องกันมีให้ภิกษุเห็นแจได้เห็นแจตัวใช้วิธีพูดเรียบเคียงเป็นเชิงขออาหารชนิดนั้นชนิดนี้ซึ่งแม้ไม่เป็นการขอโดยตรงก็เป็นการขอโดยอ้อมเป็นการเตือนให้ภิกษุรักษาฐานะอันน่าเลื่อมใสของตนเพื่อทําตนให้เป็นแบบอย่างอันดีสืบไปผู้เจริญทั้งหลายเป็นที่น่าสจัญว่า เพราะน้ำใจอันมั่นคงเด็ดเดี่ยวของท่านพระสารีบุตรเทวดาเจ้าที่ไม่ยอมฉันข้าวปลายากครั้งนั้นโรคลมในท้องของท่านกลับหายไปได้แล้วไม่กลับมาเป็นอีกเลยนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งการสละสุขส่วนตนยอมรับทุกขเวทนาอันพอทนได้เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการประิสถานสังฆมณฑลของท่านพระธรรมเสนาบดี